ฉันเช้าเสร็จท่านพระครูขึ้นไปเขียนหนังสืออย่างกุติชั้นบนสั่งนายสมชายไว้ว่าจะเขียนสักสองชั่วโมงหากมีผู้ใดมาขอพบในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ขอให้รออยู่ก่อนท่านขึ้นไปได้สักประเดี๋ยวชายหนุ่มผู้หนึ่งก็มาขอพบเขามากับสตรีรูปร่างหน้าตาจัดว่าสวยถ้าทางคงจะเป็นคู่รักกัน เมื่อลูกศิษย์วัดแจ้งให้ทราบตามที่ท่านสั่งไว้ชายหนุ่มผู้นั้นแสดงความไม่พอใจออกมานอกหน้าและทําทีจะขึ้นไปพบด้วยตัวเองมิใหญ่ที่นายสมชายจะห้ามปรามปังเอิญประตูทางขึ้นถูกใส่กรอนเอาไว้เขาจึงตะโกนขึ้นไปว่าลุงนะครับผมมาเยี่ยมเปิดประตูหน่อยครับเงียบไม่มีเสียงตอบลงมา ลูกศิษย์วัดทราบดีว่าถ้าท่านลงตั้งใจจะทำงานแล้วก็จะไม่ยอมรับรู้รับฟังเรื่องอะไรของใครจะเรียกจะหาอย่างไรท่านก็ไม่ลงมาชายหนุ่มผู้นั้นจิงตะโกนดังกว่าเดิมหลวงนาครับผมจอยไงครับจอยหล้านแท้ๆของหลวงนาะจะมาขอพบครับเมื่อไม่มีเสียงตอบอนุญาตนายจอยรู้สึกเสียหน้า อายทั้งลูกศิษย์อายทั้งหญิงคู่มั่นที่ตนหมายพามากราบท่านพระครูท่านไม่ลงมาหรอกครับถึงผมจะเรียกท่านก็ไม่ลงมาเวลาท่านขีหนังสือท่านไม่ยอมพบใครหรอกครับนายสมชายพูดอย่างพยายามผูกมิตรทั้งที่รู้สึกไม่ค่อยจะชอบหน้าถึงจะเป็นหลานหลวงพ่อจริงตามที่เข้าเอ่ยอ้าง ก็ไม่ควรจะมาแสดงอำนาจบาดใหญ่อย่างนี้ถ้างั้นเราออกไปดูแม่น้ำหลังวัดกันเถอะแม่น้ำเจ้าพระยา ย, ยัางไงละ่ะเขาหันไปพูดกับคู่มัน่นไม่อ ย, อยากอยู่สู้หน้ากับลูกศิษย์วัดอีกตั้งเกือบสองชั่วโมงกว่าหลวงน้าจะลงมาเมื่อท่านพระครูลงมาอย่างกุฏิชั้นล่างก็พบชายหญิงคู่หนึ่งนั่งรอท่านอยู่ขณะทางาน จิตของท่านเป็นสมาธิไม่รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงใดๆจากภายนอกจึงไม่ทราบว่าหลานมาหาอา้าวเองหรอกหรือเจ้าจ่อยไปยังไงมายังไงกันท่านทักหลานชายซึ่งเคยมาบวชเนนอยู่วัดนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนนู้นแต่ยังไม่ทันได้บวชพระ ก็ทิ้งศึกออกไปทำมาหาเล้งชีพสะก่อนส่วนหญิงสาวที่มาด้วยท่านไม่เคยเห็นหน้าแต่ก็คลับคล้ายครับคล่าว่าเหมือนใครสักคนลุงนนะ่าสบายดีหรือครับหลานชายทักก็เรื่อยเรื่อยว่าแต่เองเถอะหายหัวไปเลยนะท่านต่อว่าหลานชายเพราะตั้งแต่ศึกหาลาเพศแล้วในจอย ไม่เคยไปมาหาสู่ท่านอีกเลยผมต้องขออภัยงานยุ่งมากเลยครับพอดีพ่อเขาย้ายไปทำไร่ที่ท่าตะโกหนทางไกลไปมาก็ลำบากก็เลยไม่ได้มาอ๋อไม่ได้อยู่ที่โคกสมโรงหรอหรือแล้วพ่อเองเขาเป็นยังไงบ้างท่านถามถึงคนเป็นพี่เคยส่วนพี่สาว ซึ่งเป็นมารดาของนายจอยนั้นเสียชีวิตตั้งแต่ลูกชายยังเป็นเนนแกก็ไม่เจ็บไม่ไข้อะไรตอนนี้มีเมียมใหม่มีน้องเล็กๆอีกสามคนนายจอยรายงานอะไรกันอายุจะหกสิแล้วยังมานั่งเลี้ยงลูกอ่อนท่านพระครูพูดเหมือนตำหนิคนเป็นสามีของพี่สาว แกไม่ได้เลี้ยงหรอกครับลวงนาะผมเห็นเมียเขาเลี้ยงอยู่คนเดียวอ้าวเองไม่เรียกเขาว่าแม่หรอกหรือแม่เมื่ออะไรล่ะลวงนาะก็มันเป็นเพื่อนผมเองเคยเลี้ยงควายมาด้วยกันสมัยเด็กๆผมก็เลยเรียกไม่ลงกรรมของมันที่ต้องมาเป็นเมียพ่อหลุงนาไม่รู้อะไรพ่อเนี่ยแกเมาเช้าเมาเย็นงานการไม่ทําผมบอกให้แกมาบวชอยู่กับลวงนาะแกก็ไม่เอา เรื่องอะไรเขาจะเอาก็ทีลูกชายเขายังไม่ยอมบวชเลยนี่นาะท่านประชดคนเป็นหลานโทลุงนะครับเรื่องมันแล้วไปแล้วหลานชายครวนแล้วไปแล้วก็แล้วกันไปว่าแต่ว่าที่มานี่เองมีธุระอะไรกับข้าหรือเปล่า ก็มีเหมือนกันครับคือผมพาคู่มั่นมากราบหลวงนาะแล้วก็จะนิมนต์หลวงนาไปงานแต่งงานของผมด้วยครับอ๋อนี่คู่มัน่นหรอกเหรอแล้วหนูเป็นคนที่ไหนละจ๊ะท่านถามคู่มั่นของหลานชายหลวงนาจำไม่ได้หรือครับจุกไงล่ะครับหลานชายตอบแทนคนเป็นคู่มัน่นจุกไหนท่านพระครูยังนึกไม่ออก ก็จุดที่เคยใส่บาดหลวงหน้ากับผมสมัยที่เราพายเรือบินทบาดกันยังไงละครับหลานชายช่วยทบทวนความจําแต่หลวงนาก็ยังนึกไม่ออกจึงต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยอ๋ออีจุบนะเองแม่เจ้าโวยเป็นสาวแล้วสวยจนข้าจําไม่ได้ท่านอุทานด้วยนึกไม่ถึงว่าจะได้พบกันอีก นางสาวจุกนั่งบิดไปบิดมาเพราะความขุยอ้ายท่านพระครูนึกย้อนไปถึงอดีตเมื่อสิบปีก่อนโน้นครั้งที่ท่านยังเจริญสมถกรรมฐานและเล่นทางศยศาสตร์ด้วยท่านมีกระจกหมอดูอยู่บ้านหนึ่งที่ใช้ดูเหตุการณ์ในอนาคตโดยภาพของเหตุการณ์จะมาปรากฏในกระจกแต่หลังจากที่ท่านได้พบพระในป่า จึงได้เปลี่ยนมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานและเลิกเล่นไสยศาสตร์เพราะเห็นว่าไม่ได้ให้ประโยชน์ที่แท้จริงแก่ชีวิตสมัยนั้นท่านบินทบาททางเรือทุกเช้าท่านกับเนนจ่อยจะช่วยกันพายเรือลัดเลาะไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเพื่อโปรสัตว์เด็กหญิงผิวขาววัยอขวบที่ใครๆเรียกกันว่า อีจุกเพราะไว้ผมจุกตรงกลางศีรษะจะออกมาใส่บาทที่ท่าน้ำในสภาพขี้หูขี้ตาเกรดก ล, ก ล, กลังขี้มูกไหล ย, ยืดเพราะเป็นหวัดทั้งปีบ่อยครั้งที่น้ำมูกของเด็กหญิงหยดลงไปในบาทโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ใส่ใจและเมื่อเรือเล่นผ่านพ้นบ้านอีจุกไปแล้วเน่นจ่อยก็มีอันต้องเทข้าวทิ้งน้าทุกครั้ง เพราะทนสะอิดสะเอียนไม่ไหวส่วนท่านพระครูนั้นแม้จะผ่านการเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญามาแล้วก็ยังต้องทำแบบเดียวกับในหลานชายคือเทเข้าวทิ้งจนเกลี้ยงบาทแม้ลวงนาะเมื่อไรอ่อจุกมันจะตายตา ย, ตายไปสักทีนะเน่นจ่อยบนอกเพราะต้องเทเข้าวทิ้งน้ำทุกวันไปแช่งเขา ระวังบาปจะกินหัวเองหลวงนาว่าให้ก็มันมาหอนี่หลวงนาจริงๆนะผมนะ่ะโกรธมันจริงๆเช่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเอ็งอยากโง่อยากบ้าก็ตามใจเอง็งหลวงนาเราไม่รับบิณฑบาตบ้านมันดีกว่านะเนรหลานชายแนะทำอย่างนั้นไม่ได้มันผิดวิ น, นัย ที่พระพุทธทองค์ทรงบัญญัติไว้เราจะเลือกที่รักมักที่ทางอย่างนั้นไม่ได้ถ้างั้นก็บอกมันตรงๆเลยว่าอย่าให้มันเป็นคนใส่ให้เปลี่ยนเป็นพ่อหรือแม่มันแทนเองก็บอกเขาเองสิผมมันเป็นเด็กหลงนั้นนั่นแหละดีแล้วข้าไม่เอากับเองด้วยหรอกอยู่ดีไม่ว่าดี จะให้ข้าถูกติตเตียนใช้แล้วไม่หลักท่านพระครูปฏิเสธเป็นอันว่าท่านจำต้องรับบินทบาทจากเด็กหญิงจุกเรื่อยมากระทั่งมีการตัดถนนเข้าวัดท่านจึงเลิกบินทบาททางเรือเน้นจ่อยดีใจจนเนื้อเต้นที่จะได้ไม่ต้องเทข้าวทิ้งน้ำคืนวันหนึ่งไม่รู้ว่าเน้นจ่อยนึกอะไรขึ้นมาถึงได้บอกให้หลวงนาะ ช่วยดูเนื้อคู่ให้ท่านพระครูจึงบอกให้เนนจ่อยตั้งจิตอธิษฐานขอให้คนที่จะมาเป็นเนื้อคู่จงปรากฏเป็นภาพขึ้นในกระจกหมอดูอธิษฐานเสร็จหลวงน้าจึงยื่นกระจกให้เนนหลานเนนจ่อยมองลงไปที่กระจกแล้วก็โวยลั่นอีจุกอีเด็กสกปอกดูสิขี้โมกหล ย, ยืดเียวหลวงนาะกล้งอมใช่ไหมผมไม่เอา ยกให้ลงนะก็แล้วกันพูดพลางส่งกระจกคืนท่านพระครูรับไปดูก็ปรากฏว่าภาพที่เห็นในกระจกนั้นเป็นภาพเด็กหญิงจุกคิดมาถึงตอนนี้ท่านอดํำไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าไงละ่ะเจ้าจอยก้อนไหนเองว่าเกลียดอีกจุกนักไงทำไมถึงจะมาร่วมห่ห ล, ง, ลงกันละ่ะ รูมห่อเฉยๆลงเนี่ยยังไม่อยากลงหรอกลงนะขออยู่ไปอีกสักเจ8 0ปิปีก่อนถึงค่อยลงนายจ่อยรีบทีแจง่งนั่นแหละนั่นแหละนึกยังไงถึงมารักกันได้เล่าท่านถามอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือเออคืออิจุกเด็กขี้มูกมากคนนั้นเพราะไม่เคยเจอกันอีกเลยนับตั้งแต่ผมสึก เพิ่งมารู้เอาอีตอนที่มันรักเขา้าจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วก็เลยต้องตกบันไดพลอยโจนนี่พี่จอยอยังมาพูดดีนะจะถอนมั่นกันวันนี้เลยก็ได้ฉันนะ่ะไม่ยั่นหรอกคนชอบฉันยังมีอีกเป็นพเพลเเกียนสาววัย22พสดกรองพูดโกรธเองจะโกรธจะขึ้นไปทาไมละจุกไหนไหนก็จะมาเป็นหลานสะพ้ยข้าแล้ว ข้าล้อเล่นบ้างไม่ได้หรือไงท่านพระครูปรามฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหลวงนะนี่นะฉันว่าพี่จอยเขาตั้งหากว่าที่หลานสะพยเถียงฉอดชดหน้าตาบึ้งตึงจนหมดสวยเอาละ่ะเอาละ่ะเอ็งไม่ต้องมาเถียงไหนเอ็งจะแต่งกันเมื่อไรเผื่อข้าติดธุระ จะได้สับหลีกทันผมคิดกันไว้ว่าวันที่เก้าธันวาลวงน้าช่วยดูอีกทีเธอว่าเริกนี้ใช้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ดีลวงน้าก็ช่วยหาให้ใหม่ด้วยเริกยามมันไม่สําคัญเท่าตัวเราหรอกถ้าตัวเราดีมันก็ต้องดีวันยังค่ําเป็นชาวพุทธไม่ต้องไปถือเรื่องเริกยามถ้าเชื่อข่า ก็จำเอาไว้แต่ถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปไม่เชื่อหลวงนาแล้วผมจะไปเชื่อใครล่ะครับแม่ผมก็ตายไปแล้วพ่อก็เมาเช้าเมาเย็นเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็เห็นแต่หลวงน้านี่แหละที่เป็นร่มโพร่มใยหลานชายอ้อนคิดอย่างนั้นได้มันก็ดีแต่ว่าก็ว่าเธอใจจริงข้าอยากให้เอง บวชมากกว่าจะได้ตัดภพตัดชาติให้สั้นเข้าไม่งั้นก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิน้นท่านพระครูพูดจากใจจริงหลานชายจึงพูดเอาใจหลงนาว่าใจผมก็อยากบวชเหมือนกันแต่ทีนี้สงสารจุกเขา เขาจะอยู่กับใครเพราะพ่อแม่ก็ตายไปหมดแล้วจะยากอะไรเล่าก็มาบวชชีอยู่เซยที่วัดนี้ต่างคนต่างปฏิบัติไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันหลวงนาะเสนอทางออกให้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีครับหลวงนาะแต่ผมกลัวจะต้องอาบัติปราชิกเพราะมันหักห้ามใจไม่ได้อีกอย่าง ดวงผมกับผ้าเหลืองมันก็ไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไรหลานชายปฏิเสธอย่างนิ่มนวลชนิดบัวไม่ช้าน้าไม่ให้ขุนถ้าดวงไม่ถูกกับผ้าเหลืองก็อย่าบวชเดี๋ยวจะบาปเสียเปล่าๆการกระทำบางอย่างถ้าพระทมถือว่าบาปแต่ถ้าครวรทมไม่ถือเป็นบาปเช่น การร้องรำทำเพลงการเสพเมทุนเป็นต้นแต่ถึงเองจะไม่บวชข้าก็อยากให้พากันมาเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันแล้วกลับไปปฏิบัติที่บ้านวันละนิดละหน่อยลืมบ้างนึกได้บ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติเสียเลย ท่านแนะแนวทางดำเนินชีวิตที่ดีงามแก่หลานหากฝ่ายนั้นรีบออกตัวว่างานผมยุ่งครับหลวงนะคงหาเวลามายากถึงมาแล้วก็คงเอากลับไปปฏิบัติที่บ้านไม่ได้เพราะต้องทำไรไถนาทำนูน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาเอาไวแ้แก่ๆผมค่อยพา ก, กันมาก็แล้วกันนะครับหลานชายผัดผ่อนอ้อรอให้แกเหรอ แล้วเธอเกิดเองตายไปตอนยังไม่ทันแก่ละ่ะจะว่ายังไงผู้เป็นนาทักท้วงก็สุดแล้วแต่เวรแต่กรรมเธอครับถ้าเองปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมนับว่าเองประมาทมากคนทุกวันนี้ก็พากันประมาทเหมือนเองนั่นแหละแล้วคิดหรือว่าแก่แล้วเองจะมาเข้าวัด ข้าว่าจะเมาเช้าเมาเย็นเหมือนพ่อเองนะซิท่านยกพี่เคยเป็นตัวอย่างโถหลงนะครับนานๆผมจะมาสักทีหลุงนะก็ตั้งหน้าตั้งตาเทศอยู่ได้คุยเรื่องที่มันมีประโยชน์กว่านี้ดีกว่าหน้านายจ่อยเริ่มหมงุดหงิดข้างนางสาวจุกก็รู้สึกรำคาญไม่แพ้กันก็ถ้าเองไม่ใช่หลานค่ะ ข้าจะไม่ยุ่งเลยเชียวเองก็เหมือนกันจุกอย่าคิดว่าสิ่งที่ข้าแนะนําเองเป็นเรื่องไร้สาระนี่แหละคือประโยชน์สูงสุดของชีวิตเชียวนะถ้าอยากให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขก็หาโอกาสมาเข้ากรรมฐานให้ได้ไม่ต้องมาพร้อมกันหรอกผลัดกันมาก็ได้ไม่ต้องอ้างว่า ไม่มีเวลาการอ้างเช่นนั้นสแสดงว่าเองยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติใช่ว่าเองต้องมาเดินขวาย่างสายย่างพองหนอยุกหนออยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่กันถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วก็นั่นสิครับผมถึงมองไม่เห็นประโยชน์ว่า เราจะปฏิบัติไปทำไมกันเสียเวลาทรมาหากินเปล่าๆนายจ่อยเรียบถแถลงนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์เทียวละโปรดเข้าใจเสียใหม่นะหลานนะว่าที่ข้าให้มาอยู่วัดเจ็ดวันก็เพื่อมาเอาหลักการและวิธีการเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้โดยที่ทำงานไปด้วย เอาอย่างนี้ไหนเอ็งลองบอกข้ามาสิว่าเวลาทางานเอ็งหายใจหรือเปล่าเอ็งหายใจเข้าออกตลอดเวลาไหมเห้ยจุกท่านถามนางสาวจุกด้วยหายใจจ้าสาววัยยีสิบสองตอบนั่นและเอ็งก็กำหนดไปสิหายใจเข้าพองหายใจออกยุบ หรือกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้กําหนดไปตามจริงจะไถนาจะดํานาหวานข้าวก็ตั้งสติกําหนดให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วมันยากเย็นอะไรล่ะเองไม่ต้องคิดไกลไปถึงขั้นมรรคผลนิพพานหรอกเอาแค่ให้เป็นสุข ร่มเย็นในชีวิตนี้ก็พอเวลาตายจะได้มีสติไม่หลงตายคนที่ไม่เคยฝึกสติข้าเห็นหลงตายทุกรายแล้วเป็นยังไงครับหลงตายกับตายอย่างมีสติมันต่างกันตรงไหนหลานชายยังไม่เข้าใจต่างกันตรงที่ไปนะสิคนหลงตายก็ต้องไปทุกขติแปลว่า ไปไม่ดีส่วนคนที่ตายอย่างมีสติก็ไปสุขติคือไปดีท่านอธิบายไปดีไปไหนครับแล้วไปไม่ดีไปไหนไปดีก็ไปสุขติภูมิคือตั้งแต่ภูมิมนุษย์ไปจนถึงชั้นพรหมซึ่งขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำถ้าทำกรรมดีเช่นให้ทาน รักษาศีลเจริญภาวนาก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาถ้าได้รูปปัจจานก็ไปเกิดเป็นรูปปรพรมถ้าได้อารูปปัจจานก็ไปเกิดเป็นอารูปปรพรมถ้าทำชั่วก็ไปทุกคติภูมิหรืออบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉาน มีทั้งหมดสามสิอซึ่งล้วนแต่ขึ้นอยู่กับกรรมทั้งสิน้นงั้นถ้าเราไม่ทำกรรมเลยก็ไม่ต้องเกิดใช่ไหมครับถูกแล้วเขาเรียกว่าบรรลุนิพพานแปลว่าคนไม่ทำกรรมจะได้ไปนิพพานใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไม่ทำกรรม แล้วจะว่าไปนิพพานก็ไม่ได้เพราะนิพพานไม่ใช่สถานที่ที่คนจะมาจะไปแต่เป็นความดับกิเลสถ้าเราปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดจนถึงขั้นเกิดปัญญาสามารถทำลายตัณหาอุปทานหมดสิน้นนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาเองเอาละ อย่าพูดไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับปุถุชนเรื่องน้าจ้ะและคนที่หลงตายเป็นยังไงจ้ะเคยเวลาตายเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาหลงหรือไม่หลงนางสาวจุกถามบ้างรู้สิที่เอ็งถามนะ่ะมีตัวอย่างมากมายเลยอย่างตาอิ่มบ้านอยู่ติดวัด แต่ไม่เคยมาเข้ากรรมฐานข้าชวนทีไรแกก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยพอใกล้ตายก็บอกลูกหลานมานิมนต์ข้าข้าก็ไปแกก็พงา่พงาบจะตายมิตายอยู่รามารอแต่ยังพอพูดได้ข้าก็บอกให้ว่าพุทโธพุทโธลูกๆเขาก็ไปบอกใกล้ๆ บอกพ่อพนมมือแล้วว่าพุทโธพุทโธนะพ่อแกก็ด่าใส่ลูกเลยด่าเสียงดังเสียด้วยขนาดจะตายแล้วนะด่าว่าไอ้พวกเวนกูจะตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วพวกมึงยังมาพุทโธพุทโธใส่กูอีกลูกก็บอกไม่ใช่พุทโธพุทโธต่างหากละพ่อไหนว่าสิพุทโธ พุทโธแกก็ไม่รู้เรื่องว่าไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกก็เลยหลงตายแสดงว่าตอนแกตายแกโกรธลูกด้วยใช่ไหมจ๊ะโกรธนะสิเมื่อโกรธจิตก็เศร้ามองพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังขาเมื่อจิต เร้ามองทุกขติย่อมเป็นที่ไม้อีกรายหนึ่งก็ย่ายอ่อนรายนี้งมหอยขายพวกหอยโขง่งหอยขมหอยกาบอะไรพวกนี้วันวันแกงงมได้เป็นกระแตงกระแตงพอจะตายก็เกิดนิมิตเห็นหอยมันลอยตรงหน้าเต็มไปหมดลูกๆก็บอกแม่ พนมมือว่าอารหังอารหังย้ายอ่อนก็ว่าอารหอยอารหอยไม่เป็นอารหังเพราะไม่เคยฝึกท่องอารหอยอารหอยจนขาดใจท่านยกตัวอย่างที่เคยพบมาและที่ตายแบบไม่หลงมีไหมจ๊ะว่าที่หลานสะพ้ายถามอีก มียายจันไงรายนี้มาเข้ากรรมฐานตอนแก่ลูกหลานพามาเข้าเพราะเริ่มจะหลงสติสตังไม่ค่อยดีแต่ไม่ได้แปลว่าบ้านะเพราะคนบ้ามาเข้ากรรมฐานไม่ได้คือยายจันแกขี้หลงขี้ลืมอายุหกสิบกว่ากว่าก็หลงแล้ว ลูกเต่าเขาก็ให้แกเฝ้าบ้านเลี้ยงหลานตักน้ำผ่าฟืนไปตามเรื่องแกแกแต่ยังแข็งแรงวันหนึ่งแกจะเดินไปหยิบดุ่นฟืนมาก่อไฟต้มข้าวให้หมากินไปเห็นหมานอนหลับอยู่แกก็ไปคว้าเอาขามันเข้ามันตกใจตื่นเลยกัดเอา แกก็อุทานว่าเฮ้อกูนี่มันแย่จริงๆดูสิจะไปหยิบดุ้นหมาดันไปคว้าเอาขาฟืนนี่ขนาดบ่นก็ยังบ่นผิดๆถูกๆลูกเขาก็พามาขอกรรมาฐานกับข้าข้าก่อนแนะแนวไปให้แกกลับไปทำที่บ้านแกไม่ยอมมาค้างวัดกลับไปได้สักสามวันแกก็มาอีก บอกเอากรรมฐานมาคืนปฏิบัติไม่ได้ไม่มีเวลาลูกหลานมันกวนข้าก็บอกให้แล้วไม่รับคืนก็เลยสอนแกไปว่าเวลาทําอะไรให้ท่องให้กาหนดทุกอย่างเช่นจะเดินไปหยิบเฟินก็เดินท่องไปว่าหยิบเฟินหยิบเฟินจะได้ไม่ไปคว้าเอาขาหมา สอนจนแกเข้าใจดีแล้วก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านไม่ช้าใหญ่ยยจันก็หายจากโรคหลงหลงลืมลืมเพราะสติดีขึ้นเดี๋ยวนี้แกยังอยู่หรือเปล่าครับลงงนะ้าหลานชายถามขึ้นเข้าเมนไปแล้วน่าเสียดายวันที่แกตายนั่นอายุครบแปดสิบพอดี ลูกหลานเข้ามารายงานว่าตั้งแต่ปฏิบัติกรรมฐานแก่สติดีมากไม่หลงหลงลืมลืมเหมือนแต่ก่อนจะกินจะถ่ายก็เรียบร้อยคนแก่บางคนใช้ไม่ได้เลยทั้งกินทั้งถ่ายเละเทอะเปละเปื้อนไปหมดแบบนี้ลูกหลานเขาก็เบื่อไม่อยากเลี้ยง แต่คนที่มาเจริญสติปัฏฐานลูกหลานเขาไม่รำคาญเพราะหลีง่ายไม่เลอะเลื่อนเลื่อนเปื้อนนี่ประโยชน์ของการมาเข้ากรรมฐานอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามาเข้าวัดเจ็ดวันแล้วทิ้งเลยต้องเอากลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านจึงจะได้ผล ถ้าอย่างนั้นฉันขออยู่เข้ากรรมฐานเลยนะพี่ช่วยกลับไปเอาเสื้อผ้ามาให้ฉันด้วยก็แล้วกันเอแต่ฉันไม่มีชุดขาวนี่หรอกนะนางสาวจุกเกิดศรัทธาขณะเดียวกันก็กังวลเรื่องเสื้อผ้าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงมีญาติโยมคดใจบุญบริจาคให้วัดเอาไว้เป็นของกลางใครไปใครมา ก็เบิกไปใส่ได้แล้วก็ซักมาคืนถ้าเองจะอยู่ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นว่าแต่เองจะอยู่พร้อมกันเลยไม่เล่าท่านถามหลานชายในจ่อยพลอยเกิดศรัทธาตามคนเป็นคู่มั่นจึงตอบว่าก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปไปมามาเห็นคนทั้งสองมีศรัทธาประสาธะเช่นนั้น ท่านพระครูก็พอใจจึงพูดให้กำลังใจว่าดีแล้วเองสองคนเริ่มต้นเดินในทางที่ถูกต้องแล้วทางนี้เป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นถ้าเองไม่เปลี่ยนทิศทางเดินสักวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายได้ไม่ถึงชาตินี้ก็ต้องเป็นชาติหน้า ถ้าชาตหนายังไม่ถึงก็จะต้องถึงในชาติต่อๆไปขอให้มีความเพียรอย่าท้อถอยเสียก่อนก่อแล้วกันแล้วเรื่องแต่งงานผมลงนะ้าไม่ลืมนาะในใจอยยังห่วงเรื่องทางโลกรับรองข้าจะช่วยจัดการให้เรียบร้อยเอาละเดี๋ยวข้าจะให้สมชายพาจุกมันไปฝากที่สํานักชีส่วนเอง ไปอยู่กับพระบวัวเหี่ยวประเดี๋ยวจะให้สมชายพาไปรอให้จัดการเรื่องคู่มั่นเองเสร็จก่อนและท่านพระครูจึงเรียกนายสมชายมาสั่งการจากนั้นจึงขึ้นไปเขียนหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์กรรมฐานอย่างชั้นบนของกุติ